เทศนาแผ่นที่81ดสิดลำดับที่23โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่16สิงหาคม2588มีชื่อเรื่องว่านิมิตทั้งห้าของพระอาหนง คณะรัตยาติโยมลูกหลานตอนที่หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จถ้ายังถ้าถ้ า, ถาใครจะไม่เคยได้นังสือเล่มนี้นะออกมาใหม่ใหม่ล่าสุดออกเมื่อวันที่สิบสองสิงหาวันวันเกิดของหลวงตาตอนฉันยังหารเสร็จยังค่อยมารับก็ได้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกเป็นนังสือพระธรรมนำชาติพระธรรมเทศนา พระธรรมนำชาติพลดภัยจัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดยมูลนิธิวิริยณาศีลวันวัดป่านาคำน้อยเป็นเรมแรกของหนังสือแล้วก็เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงตาแนะนำสั่งสอนลูกหลาน ศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมากมายอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผู้ที่รวบ ร, รวมก็เอาธรรมเทศนาของหลวงตามารวบรวมไว้แล้วก็ทำเป็นเล่มขึ้นมามีหล า, หลายอย่างในเทปในเทปเล่มนี้ถ้าลูกหลานใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้มีประโยชน์นะลูกหลาน เบ็เสียแต่รับไปแล้วก็นาไปไว้ในบ้านเอาไปที่โต๊ะทํางานลูกหลานนะโยนเขี่ยงกันเล่นโยนกันไปโยนกันมาโยนกันมาโยนกันไปผลในสุดพอเป็นหนังสือเก่าแล้วไปชั่งกิโลขายบานเนี่ <laughs> เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอลูกหลานไว้ลุงพ่อเนะีกลัวเป็นอย่างนั้น嘛เพราะลุงพ่อไปเห็นบ้าน หลายหลายคนนะดยมากเป็นยังไงโต๊ะทํา ง, นนงานมีแต่หนังสือหนังสือได้รับไปก็ไปวางที่โต๊ะทํางานไอ้โต๊ะไอ้โต๊ะรับแขกไอ้พอโต๊ะรับแขกจะให้ลูกหลานเข้าไปเล่นกันเนี่ยห้องรับแขกมันเย็นเนี่ยจะไปขยโญ น, นังสือใส่กันแล้วบ่เนนังสือปกแข็งมันจะอยู่ได้แล้วใช่ไหมไปมา ก, กับพังกับชุยกระจายเพราะนังสือเอาไปเอาไปเอาไปชั่งกิโลขายบ่เนี่ เพราะมันมันชำรุดแล้วแต่เนื้อหาสาระในนั้นโอ้ก่านที่จะเป็นหนังสือได้เล่มละเป็นร้อยร้อยสองสามร้อยก่อนที่จะพิมพ์หนังสือออกมาให้พวกเราได้อ่านแต่พวกเราไม่รู้จักคุณค่า ต, ตามเมตเจียงหนังสือธรรมะเนี่ยที่ได้รับไปแล้วถ้าตัวเองยังไม่มีเวลาก็ใส่พระจะติกถุงพรจะติกใส่แล้วเอาไปไว้ที่หิ่งพระ แล้ววันที่ใดที่หนึ่งใส่ตู้เอาไว้ในเมื่อมีโอกาสต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชาราแลวเราไม่สบายเรามีความไม่สบายใจเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปที่ไหนไม่ได้ล้วก็เอาหนังสือธรรมะมาอ่านเพื่อศึกษ า, เ, าเพื่อพยุงทางด้านจิตใจของตนเองมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าเก็บไปแล้วก็เหมือนกับหนังสือดาราบ้างหนังสือพิมพ์บ หนังสือที่ร้อยสาระประโยชน์อันนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นหนังสือนี้นะให้รู้จักที่เก็บที่สูงเพราะเป็นลูกครูบาอาจารย์ถ้าเราได้ไปแล้วกันเก็บไว้เมื่อมีโอกาสเราก็จะเอามานํามาศึกษาเออหนังสือเดือนี่ท่านพูดอะไร เ, เกี่ยวกับสมาธินะ เ, เรียกเกี่ยวกับปฏิปทา เ, เกี่ยวกับแนว ที่องค์หลวงตาเคยแนะนําสั่งสอน เ, อเรื่องศีล เ, เราจะจะรู้เรื่องศีลใช่ไหมเอาเรื่องศีลมาอ่านเราจะรู้อยากจะรู้เรื่องสมาธิก็นําเอาเรื่องสมาธิมาอ่านมาศึกษ า, ามันจึงจะถูกได้ลูกหลานนะไม่ใช่ว่าเห็นเขารับเขารับไปไปเรื่อยเพื่อเผยเนี่ยหลวงพ่อยังบอกนะ MP3 หลวงพ่อห่วงเหลือเกินเป็นห่วงเป็นห่วงกับผู้ได้รับไป พอรับไปแล้วน่ยเครื่องฟังก็ไม่มีแต่บางคนก็ซื้อนะอดิฉันไม่เอาเรกไม่รับ MP ็มสล้มพ่อเพราะไม่มีเครื่องฟังเอออันนี้ซื่อสัตว์ว่ะแต่บางคนเห็นหมูรับก็รับไปเลยเพื่อเผื่อกลัวกลัวตัวเองจะไม่ทันสมัยเห็นเขารับก็รับไปพอรับไปแล้วก็เหมือนพระได้หวีทีนี่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะไม่มีเครื่องฟังแฮ่จะให้ใครก็ไม่กล้าให้ไม่รู้จะเอาทำยังไง ผลที่โชดคนนนะทิ้งไว้ เ, เพลเพอยังเอาไปาชูอยอกจะได้แม่รถสิบลนะ้อเนี่ยาจะเอาให้เนี่ยเอาไปแขวนท้ายรถสิบล้อซะเนี่ยเ อ, เอาไปแขวนที่ห้างร้านที่ขายของร้านอาหาราขายผั ก, กปลานะเพื่อไล่มแมลงวัน ผลให้ถูกกรล MP 3, ี mp สาที่จะเกิดประโยชน์ก็เลยเป็นไปไล่มแมลงวันหลวงพ่อเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงกับลูกหลานาที่ไม่มีไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักสาระประโยชน์แต่จะทำยังไงได้ละ่ะถ้าหาวักมาทุกคนก็นลงบัญชีรายชื่อไว้ซักไซส์ไเรลียงตั้งทนายความซักไซส์ไรเหลียงซะก่อน เจ้าอายุทหร่เจ้าสนใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนในบ้านของเจ้ามีคนสนใจธรรมะไหมแล้วก็มีเครื่องฟังไหมเครื่องฟังดีขนาดไหนโอจะมาซักไซรไล่เหลียงถึงขนาดทั้งหลวงพ่ อ, องคงยะไม่ได้แจกนะทนี่จะทำยังไงใครมาก็โยนให้โยนให้โยนให้ใหใหเอ า, เอ า, เอาไปไปไ ป, ไ ป, ไปฟังแนละ้วหลุกล้านนะนี่แหละ พอออกไปบางทีก็นึกเหมือนกันนะอย่างที่ให้พูด พ, พูดให้ลูกหลานฟังเดี๋ยวนี้แหะนึกเหมือนกันเอจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนน้อที่เราหวนอของที่มีคุณค่าลงใส่มือของพี่น้องลูกหลานจัตราญาติโจมจะเกิดปเปิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนน้นอแนอหลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะลูกหลานนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะ มีแต่พระประธานนนะท่านไม่คิดนะเพราะท่านไม่มีความรู้สึกแต่หลวงพ่ออีนึงเป็นพระเป็นพระมีความรู้สึกหลวงพ่อต้องคิดนะแต่ว่าคิดว่าถ้าไม่ทำซะเลยลูกหลานจะรู้เห็นธรรมะรู้ซึงถึงใจในธรรมะอย่างไรถ้าว่าไม่มีการเผยแผ่บอกกล่าวหรือว่าให้หนังสือหรือว่าให้ MP3 ไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจอย่างมากเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าลูกหลานรุ่นหนุ่มหนุ่มสาวหรือว่าหนุ่ม4 0่0 4 0กว่าปีเนี่ยฟังเฟ e บุ๊กของหลวงพ่อ เ, เกือบจะเกือบทุกคนมาจากทุกหัวละแห่งที่เข้ามาได้ฟังธรรมเทศนาและได้ฟังแนวความคิดของหลวงพ่อตอนเช้าทุกวัน หลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เออหลวงพ่อพูดไปไม่ไร้ไม่ไร้สาระร้ายประโยชน์มีคุณค่าสำหรั บ, บลูกหลานได้ยินได้ฟังเกิดประโยชน์อยู่นี่แหละหลวงพ่อเพียงแค่นั้นหลวงพ่อก็อือเออเป็นประโยชน์ <c oughs> แต่หนังสือหลวงพ่อก็เหมือนกันกับมีบางคนที่บอกว่าได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็ได้นานมาประพฤติปฏิบัต แต่เขาก็คงจะไม่พูดให้ฟังทุกคนแต่ร้อยคนได้คนหนึ่งหลวงพ่อก็พอใจแล้วนะลูกหลานนะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากร้อยคนได้สักคนหนึ่งที่ได้อ่านจบเปร้มหลวงพ่อก็หน้าเป็นที่พอใจแต่หลวงพ่อก็แนะนำอีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ชุ่อายุเนี่ยต้องพยายามอ่านหนังสือถ้าคนไม่อ่านหนังสือจะเลยเนี่ยอันไซเมอร์จะตามเข้ามาเร็วเกินไปเพราะว่าเหมือนกับเราเราออกกําลังกายเนี่ยคนถ้าไม่ออกกําลังตากายกินแล้ว ก, ก็นอนกินแล้วก็นอนผลที่สุดพังผืดมันติดเดินไม่ได้เอาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายให้เหงื่อออกถึงจะเหนื่อยลุ้ยแล้วมันออกกําลังกายมันต้องเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องออกกําลัง ออกกําลังกายออกกําลังกายนะคนนั้นจะอยู่ได้นานไม่เป็นภาระของลูกหลานอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกันถ้าว่าพวกเราได้หนังสือหนังสือมาจะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ตามแต่พยายามอ่านหนังสือวันละ30นาทีพยายามอ่านหนังสือวันละ30นาทีเพื่อจะได้ฝึกฝึกสมอง ความจําของสมองถ้าเราไม่ฝึกความจำํำเฉลยนะ่ะไม่ได้นะตามใครเข้าอ่านหนังสือมันต้องดูอ่มันเรื่องเขาพูดเรื่องราวอะไรมันเป็นการฝึกสมองในตัวเพราะฉะนั้นคนเราต้องฝึกฝึกสมองฝึกความจําในการอ่านนั้นๆเพราะฉะนั้นต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อไม่ให้อันชัเมอร์ เกิดเร็วเกิดกับพวกเราเร็วเกินไปอันนี้ก็ฟังฟังไหมนะลูกหลานนะอย่พึ่งเชื่อนะแต่ฟังเอาไว้แต่เขาบอกมาหลวงพ่อก็เลยบอกต่อหลวงพ่อเห็นด้วยนะถึงสิ่งใดก็ตามที่หลวงพ่อพูดลงไปนะหลวงพ่อเห็นด้วยกวับเขานะ่ะหลวงพ่อจึงพูดนะอ่ถ้าพูดมาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลนอะ่แต่หลวงพ่อก็บอกนะบอกก็นี่พ่อบอกเสร็จแล้วหลวงพ่ออันนี้เขาพูดแต่น่าเชื่อถือนะ แต่น่าเชื่อนะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ถูกหรอกแต่ตัวนี้นะ่าเชื่อถือแต่เขาพูดเข้าท่านะอแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เอย่างที่สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยนะเป็นเด็กกําลังเรียนเรียนรู้กําลังศึกษานะกำลังอยากจะฟังผู้ใหญ่เขาพูดอะไรนะเขาบอกว่าเฮ้ยจะไปจับแก้งก็ดีจับกระจงก็ดีอยู่ในป่านะ่ะ อยู่ในป่านะถ้าไปจับธรรมดานะ่ยมันจับยากไปจับเวลาใบไม้ร่วงใบไม้สักใบไม้ร่วงใบไม้มันหล่นลงมาเยอะๆนะัน่นแหละในช่วงนั้นเราไปไล่เลยไปไล่กระจงไปไล่แก้งนะมันเห็นไม้เท้ามันแหลมๆมาเม้เท้ามันแหลมๆนะ เ, เวลาเราไล่นะมันก็วิ่งพอวิ่งเข้าไปมันไปเหยียบใบไม้นะมันเหยียบเหยียบใบไม้กั ไปมากกัสอดสอดสอดเข้าไปเต็มโคนขาขขามันมไปไม่ได้เลยนนะเราไปจับหางเอาเลยไ ป, ปหาจับแก้งไปหาจับยากอะไรจับกระจงหลวงพ่อเองเป็นเด็กน้อยอ้าปากบวชเขาถาเข่าถาเข่าถ า, อ า, าพอใหญ่ขึ้นมาโอ้ยมันคนละเรื่องกันวันะนีเพื่อนเนี่แหละมันมันเป็น ม, มีเหตุผลนะเขาค น, คนโกหกนะเขาก็มีเหตุผลของเขานะั่นเพราะนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพวกเราต้องฟังฮะฟังนะแล้วก็ฟังขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ใช่ไม่ใช่นะเราก็จะต้องปฏิเสธได้แต่หลวงพ่อที่ว่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอ่านหนังสือนอย่างน้อย3าิบนาทีและต้องออกกำลังกายนะคนเรานะหลวงพ่อเห็นด้วยจึงได้บอกให้ศรัทธายาจมลูกหลานาได้รับรู้รับทราบนะ <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันที่สิบหก สิงหาคมพุทธศักราช 2,558 ถึงลุงพ่อจะอยู่ในป่ารงพงไพยอยู่วัดป่าถึงขนาดนี้ห่างไกลาจากชุมชนแต่ก็ได้ยินข่าวทราบข่าวว่าเป็นวันนี้เป็นวันปั่นจั ก, กรยานทั่วทุกหัวแง ท, วทุกหัวหัวแหงของประเทศพอบูชาเชิดชูบูชาวันแม่ คือวันพระบรมราชินีวันเกิดวันประสูติหรือวันสมภพพระองค์ท่านพราะเราเป็นพระศกนิกกรก็รวมรวมตัวกันแสดงพลังอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจถ้าอยู่ในใจมันมองไม่เห็นกันอันนี้ถ้าแสดงออกมาอย่างนี้ะเละแสดงว่าพวกเรามีความรักเคารพจงรักภักดี ในพระ อ, องค์ท่านผู้มีคุณูปการต้อมีผู้มีอุปกรณคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราเป็นประศกนิกรทั้งหลายให้ช่วยๆกันแสดงออกซึ่งน้ําใจนั่นแหละผ่านเป็นผู้ทําคุณูปการเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณก่อนพวกเราไม่ต้องบรรยายมากหรอกเดี๋ยวนี้สมัยก่อนสมัยท่านเป็นหนุม่ม ในหลวงของเราพระบรมราชินีของเราจะเด็จไปทุกหัวละแหง่งไปดูน้ำํำดูที่ไหนต่อที่ที่ไหนที่ชนประทานอยู่อย่างไรประสบนิกรในกลุ่มนั้นสมควรเขาจะทําอะไรนะท่านก็ดูแต่ป่า น, นี้ท่านอายุมากแล้วเหมือนกับปูเหมือนกับปูกับยากปู่ทวดของเราอายุ80บแล้วมีแต่นั่งคอยผลงานของลูกของหลานท่านัเองแล้ท่านเอง ท่านจะให้ท่านพูดท่านกล่าวอย่างเหมือนตะก่อนไม่ได้แล้วเหมือนกับปู่หญ้าของเราที่นอนอยู่ในบ้านนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละท่านขออายุสังขารของท่านขอลงรยไปตามอายุสังขารแต่ถึงยังไงท่านก็เป็นร่มโพ ร, ร่มสาของประเทศชาติตัวเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาถ้าประเทศไหนอย่างประเทศพมา่าเห็นถึงเขาจะนับถือพระพุทธศาสนาเข้มแข็ง แต่เขาขาดกษัตริย์นะไม่มีกษัตริย์เป็นผู้นำ เ, เรื่องพระสงฆ์ของเขาอยู่ทู่สู้เมืองไทยไม่ได้ในกฎระเบียบนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านีนะ้พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านะอณนวันนี้เป็นวันที่แสดงออกสึกน้าใจ เ, เป็นวันปั่นกระยา มีนายกท่านเป็นประธานและก็ข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่าที่แสดงออกนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในหลักของพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นบร ม, มครูเป็นผู้พร้อมด้วยทุกอย่าง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอย่างไรบางทีมีทั้งปอกมีทั้งมีทั้งปลอบมีทั้งขู่ฮะมีทั้งเอาใจมีทั้งมีมากมายาในการแนะนําสั่งสอนพระ อ, องค์ท่านแต่พระ อ, องค์ท่านพร้อมด้วยกับกริยาทุกอย่างพระพุทธเจ้า วอิติปิโสภคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุโกโตนะโลกาวิทนะูอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนี่แหละวันหนึ่งพระอ น, นุนพระอนุนพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันนั้นพระอนุนเห็นเห็น เ, เห็น นีเมตตาอย่างเห็นนี่เมตตาอย่างคือเห็นพระราชาพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่งกายแบบชดครอบชดว่างั้นน่ะแต่งครอบชดทั้งหมดเลย เ, เข้ามากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระอาทิตย์กําลังโผล่ขึ้นมา เ, เ, เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเห็นพระจันทร์กําลังโผล่ขึ้นมาท้องฟ้า แล้วก็เห็นรัชมีของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในขณะนั้นแล้วก็เห็นรัชมีของพระอุทายีการุทายีนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ในชุดพุทธบริษัทพุทธบริษัทแ ค, แค่านั่งอยู่ขอบขอบข้างๆพระองค์พระอุปรลเขานั่งเข้าฌานสมาบัตินั่งน่งกาหนด เข้าฌานสมาบัติพระอนอนท์เห็น <c oughs> ทั้งห้าอย่างเห็นพระทิดเห็นพระจัน์เห็นพระราชาเห็นพระพุทธเจ้า <c oughs> เห็นพระระหันพระอนอนท์เห็นแล้วก็ปรีปติเออเห็นสิ่งทั้งห้าอย่างก็ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าข้าเอข้าพระองค์เห็นของห้าอย่างวันนี้เห็นแล้ว เ, ลลเรัตจมีหรืกว่า สิ่งที่แสงเสียงแสงออกมาบ่งบอกได้ชัดเลยเห็นว่าสวยงามเนือหาดูได้ยากแต่ข้าพราะองค์เห็นพระอาทิตย์กําลังจะอัดสะดงตกแล้วพระจัน์โผล่ขึ้นมาเห็นพระราชาแต่งชดเห็นพระองค์พระพุทธองค์ก็เป็นผู้พร้อมสวยงามแล้วก็เห็นพระเถระที่ท่านเข้าฌานชะมาบัตรท่านนั่งอยูท่ท้ายพุทธบริษัท ก็ดูละของโอโห้ก็สวยงามของอีกแบบหนึ่งพระพุทธองค์บอกว่าพระอาทิตย์เปล่งแสงในเวลากลางวันพระจันทร์เปล่งแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์เมื่อทรงเครื่องรบเข้าไปแล้วสมบูรณ์แล้วเออเป็นที่สง่างามเออพระอาหารหันต์ที่ท่านเข้าฌานสมาบัติ เพ่งชาญอยู่ตามลำพังของท่านดูแล้วก็สง่างามแต่พระพุทธเจ้าอำนาจของพ ร, องระพุทธเจ้ารัศมีของพระพุทธเจ้าไม่ว่ากลางวันวันและกลางคืนอยู่น่าจดฐานที่ใดสง่างามเพราะว่าเป็นบุญวาสนาบา ร, รมีของของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาตินี่แหละอันนี้ก็คือพระอานนท์เทาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเออค่อยาว่าเปรียบเทียบให้ฟัง่ะ แต่พระพุทองค์ก็เคยตรัสกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเดลถีนิคนคือคนนอกศาสนาคนนอกศาสนาถามพวกท่านหรือว่าสงสัยกับพวกใสสงสัยในการเป็นอยู่ของเราตถาโพธ์คือเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอยู่ด้วยเหตุอะไรเป็นอยู่ด้วยอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายตอบ พวกนอกศาสนาคนที่นอกศาสนาได้เลยนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าแล้วว่าวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคือพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยสมาธิสมาธิคือกําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้แช่เข้าฌานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะท่านก็เข้าสมาธิ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายพรานั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีเวลาไหนก็ดีช่วงไหนว่างๆก็เข้าสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองอย่าไปคุดอย่าไปคิด เ, เรื่องสัพเพประเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่แนวแถวของพุทธะนะพระพุทธเจา้ขาขณะท่านได้เป็นพระพุทธเจา้าท่านเนี่ยววิหารธรรมเครื่องอยู่ของพุทธะคือกำหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในอานาปานสติ คือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นสมาธิพระไทยใจของพระองค์เป็นสมาธินี่แหละอันนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าดันขอให้พวกเราเพระเนลูกหลานสถา ญ, ญาติโยมทุกคนนะจะปล่อยจิตปล่อยใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่างเนี้นี่แหละเครื่องอยอู่เครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเครื่องอยู่ของพระหันตรสาวกทั้งหลาย เพราะนั้นพวกเราเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วไม่มีหรอกความจะเสื่อมมีแต่มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะพอไรเพราะเราเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ลูกหลานเวลาฉันจารเสร็จแล้วล้างบาตรเสร็จแล้วอ้าวอย่าไปคุยกันเพราะโอกาสคุยกันตอน พบกันตอนเย็นตอนปัดกวาดก็มีอยู่แล้วนิดๆหน่อยๆเมื่อฉันจัการเส็ล้กับกุฏิพอกับกุฏิเ้าเก็บบัดให้เรียบร้อยเก็บให้เป็นที่เป็นทางที่พักผ้าอาศัยดูให้สะอาดพับผ้าให้เรียบร้อยผึ่งตากแดดถ้าวันไหนมันมีฝนอย่าไปตากน้ำไวได้ น, นะมันชุม่มแล้วก็ตากวันวันที่มันแดด พอตากเสร็จแล้ ว, ลวกเ ก, ววก็เก็บกลางวันเราก็เก็บแต่จะไปตากกลางวันนะมีตะกระแต่นนะตะกระแต่นกัดผ้าจีวรนะมันมีตะกระแต่นตัวคิ้วเขียวนะกัดผ้าจีวรเป็นรูนะถ้าเป็นรูก็มาขนาดาขนาดได้ขาดประมาณเเส้นแขยงค่ายได้ขาดประมาณ7เส้นแปลว่าผ้าผืนนั้ขาดอธิษฐานแล้วนะต้องมาให้ครูบาเก่าดูจากนั้นก็ปะเย็บชุน พอยุดเย็บชุนเสร็จแล้วก็ตั้งอธิษฐานใหม่อีกนะถ้าเป็นผ้าสบงก็ว่าอิมัง อ, อันตรอันตราวัสกังอธิษฐานิต้องอธิษฐานใหม่ถ้าหาว่าเป็นกีวรก็ต้องอธิษฐานใหม่อิมังอุตราสร้างขังอธิษฐานิถ้าเป็นสังคาติอิมังสังคาติอธิษฐานิถ้ามันขาดเป็นรูนะเป็นรูขนาดไส้ได้ประมาณเจเช่น สรุปแล้วก็คือขนาดหลวมหัวไม่ขีดเนี่ยนะอันนี้คือขาดจากการข า, ขาดจากอธิษฐานแล้วไปว่าขาดต้องปะชุนให้เรียบร้อยซะก่อนตั้งอธิษฐานใหม่นี่แหละเพราะนั้นเราจะตากผ้าชุม 4, ช่มสี่ไม่ได้เราจะตากก็ต้องดูมีตะกะแตนไหมถ้ามีตะกะแตนเราก็ต้องเฝ้าคอยดูผ้าใหม่นะช่วยๆกันรักษาวินัย แล้วก็เพื่อตากเสร็จแล้วก็เก็บเดินจงกลมเวลาเราตากเราก็เดินโยงกลมก็ได้เดินโยงกลมเฝ้าก็ได้พุโทโธพุโทโธพุทโทกลางวันแล้วก็นั่งภาวนาด้วยให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ว่าวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าเนะี่ยพวกเราเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีแต่ความสุขกายสุขใจนะพานุพาหลานทั้งหลาย เรามาภาวนาเนคราวนี้เราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้มาเรียนศึกษาอย่างอื่นเรามาเรียนศึกษาเรื่องภาวนามาดูจิตใจของตนเองมาดูต้นตอนเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งหมดเรารู้จักต้นมันคิดเรื่องอะไรใจของเรามีสติสัมปชัญญะในการนึกคิดของจิตของใจแล้วเราอยู่ในสถานที่ใดเราจะ มีเปรกสำหรับใจของเรามันคิดไม่ถูกนะเพราะเรามีสติใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่มีสติไม่รู้ใจอยู่ที่ไหนความรู้ความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ไหนเราไม่รู้นะ่ะนั่นแนหะเมื่อเราไม่รู้นะ่ะมันผลออกมานะทาให้พวกเราเดือดร้อนพุ่นวายถ้าพวกเรารู้เหตุรู้ผลมันออกมาจากจิตจากใจของพวกเราแล้วนะเราจะได้ระงับได้แต่ที่แรก เอ ire, เอเหล่านี้คิดไม่ถูกนะวะคิดอย่างนี้มันคิดได้ยังไงเบียดเบียนตนและผู้อื่นทําให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอ่ากานแกล้งคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นคิดได้ยังไงถ้าเขามาทําให้กับเราอย่างนี้ล่ะอย่างที่เราคิดเนี่ยมันเป็นยังไงแหมมันไม่ดีนะอารมณ์อย่างนี้ความคิดอย่างนี้การนึกคิดอย่างนี้ไม่ดีนะใจนะไง เราก็เบรกแต่แต่ต้นต่อทีเดียวเพราะเรามีสติตั้งแต่ทีแรกนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาภาวนาคือให้มีสติสัมปชัญญะในในแนวความนึกในความนึกคิดนั้นนั้นนต่อนี้ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรนัีนินกันนักทายญาติโยมรับพร